การฟังการฟังที่ท่านแสดงทําทุกครั้งนนเราหน้ากำหนดจิตแล้วก็หนดดูจิตของตัวเองเวลาท่านแสดงไปพูดไปเสียงมันจะเข้าไปสัมผัสเข้าไปตั้งหงงูไปสัมผัสกับจิตกับใจของพวกเรา บางทีถ้าจิตมันรับทำที่ท่านสแสดงมันจะทำให้จิตใจของพวกเราสงบลงไปได้ความสงบของจิตของใจนั้นจิตใจสงบลงเป็นสมาธินี่คือคือตัวบุญแท้ การปฏิบัติการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาก็ดีภาวนาก็ดีก็เพื่อความหมายเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานะสงบอย่างลงสู่ความสงบนิ่งเมื่อจิตใจ นิ่งสงบเข้าไปนี่นี่คือตัวบุญนี่คือมีนี่คือความสุขที่ที่พวกเราปาฏปานาที่ว่าพนิพานพันิพานทันิพานพันิานพนานตรงนี้คือนิพิธาความเบือ่อเบื่ออะไรเบื่อในทุก ที่นี่ทุกเมันเกิดจากที่ไหนทุกเมืก็เกิดจากลูกจากเสียงจากกินจากรถจากเครื่องสัมผัสเกิดขึ้นจากสรุปแล้วกเกิดขึ้นจากตายกับจิตที่นี่ก้อนสสารกายของเราเนี่เวลามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลง มันทำให้เกิดทุกข์ทำให้ร้อนทำให้เยน็นทำให้ปวดน้น่นปวดนี่มันมีอาการของมันถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้าหนดูทุกข์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่มันมันมันไม่ปรากฏอยู่อยู่กับหีกับใจของเรา เพราะจิตใจไม่ได้ก ำ, ก ำ, กำหนดรูปมันก็วิ่งไปตามอมารมณ์อารมณ์ที่จิตใจมันแส่สายไปไปตามกระแสของของโลกของสองสารมันจะไปของมันเพาธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้นนับแต่วันเกิดมาจนมาถึงปัจจุบันถ้า จิตใจไม่เคยสงบเลยนี่แปดงว่าจิตใจไม่ได้พักผ่อนนี่แต่มันวิ่งตำรอนตำรอนตอรนกระทั่งตอนกลาคงคืนก็นเหมือนกันเวลาหลับไปมันยังนฝันต่อทําไฝันต่อมันไปอยู่แสดงว่า ม, มันไม่อยู่ มันปูมันแต่งของมันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หาอุบายหาอุบายให้จิตมันสงบก็คือให้มีอารมณ์มันเดียวท่านจะให้มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือกำหนดลมหายใจหรือจะกำหนดดู อวั ย, ายาวา่างกายชวนได้ส่วนหนึ่งก็ได้คิดด้วยส่วนนึงก็ได้เพื่อให้จิตมันอยู่เพื่อให้จิตมันนิ่งธรรมดาจิตมันก็เหมือนกับเด็กเหมือนกับเด็กน้อยนี่ที่มันวิ่งไปวิ่มาที่กตหาหาของมันเล่นหาของทำมันมันกอมันอยู่ก็คืออารมณ์กรรมฐาน ที่อุปชาที่ท่านสอนให้พร ะ, ะก็ดีเนนก็ดีที่บวชท่านสอนตัง้งแต่สอนกรรมฐานนี่กรรมฐานห้าเกาโรมานาคาตัานตาต จ, จนตะโจดันตานาขาโรมาเกษาเนี่ยท่านให้พิจารณาให้ดูอนุรวมปฏิรวมนี่เรียกว่าเพื่อ จะให้จิตมันมันอยู่กับอาร ม, รมณ์กรรมฐานนี้นฐานฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมแปลว่าการกระทำเรียกวกรรมฐานฐานที่ที่ตั้งที่อยู่ทําไมท่านจึงให้ให้ดูอาการก็กรรมฐานห่านเพื่ อ, อเพื่อจะให้จิตมันรู้ ความจริงหรือของจริงที่นี่จิตใจน่ะที่มันมองเห็นด้วยตาธรรมดาธรรมดามเห็นว่าผมนี่มันมันมั น, ม, นมันยังไม่เห็นจริงแค่เพราะผมนี่เห็นว่ า, ากูมมเลียสมุเลียงว่าผมคนเล็กคนหนังนี่มันมัน มันสมุดขึ้นมาเรียก ร, ร, ร, ร, ร, ร, รยดูด้วยสมุดรูด้วยสมุดรูดเลยปัญญามันยังไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงทผมแท่แทผมแทผม่ผมที่แทนที่แท้จริงคือคือจิตใจโทษจิตจครับประสมุดโทษจิตใจเข้าเข้าลงเข้าไปยึด วัฒนธรรมเส้นผมมันบังภูเขาคำที่ว่าบาังภูเขานี่เส้นเล็กๆนั้นมันใหญ่ใหญ่จนบงังบังจิตบังใจลูกไม่ได้เห็นไม่ได้เรียกว่าก็เลยเอาผมเส้นผมเส้นเดียวก็เลยกลายเป็นผมใหญ่จริงๆแล้วมันก็ใหญ่เพราะมันบงังบังจิตบังใจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นของจริง จริงๆเมื่อเมื่อเมื่อว่าเข้าไปถึงความจริงได้ที่นี่เมื่อเข้าไปถึงจิตมันรู้จริงๆที่มันเป็นดินผมเองเป็นดินเป็นธาตุดินเป็นดินเท่ากันละครับ ด, น ด, นดินดินไม่ได้เดียวเลยใจกับดินเหมือนกัน เล็กกะดิเมื่อกันต้นไม้ภูเขาทวันกระดิงเมื่อกันี่อยู่ว่าใช้บ้านเรียนานช่องกระดิงเมืกันเนี่ยอาการ32มเนี่ยธาตุดินที่มองเห็นด้วยตา เ, เรียกว่าธาตุดินเรียกว่าดินที่จิตใจของเราพวกก้มาออกมายึดมาถือ ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเกิดมาจะในโลกแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสือมันหาทางป้องกันให้ม่ตั้งอยู่ไม่อยากให้มันแตกวันดับครับความแตกดับก็สมมติว่ามันตายถึงจะสมมุติหรือไม่สมมุติจะเรียกหรือไม่เรียก เาก็แตกไปโดยธรรมชาติ เ, าเหมือนกับต้นไม้หรือภูเขากับเมรนเหมือนกันโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติมันต้องแตกต้งดัมันเป็นธาตุดินผมก็เป็นดินขนก็บเป็นดินเล็บกับเป็นดินฟันก็เป็นดินหนังกัเป็นดินผมคนอันเนี่ยแกซาโลมานาะคาท่านตาตาัชูนี่แกสาคือผม โลมาคือขนนาขาคะือเล็บธันตาคือฟันตาโจคือหนังห้าอย่างมันก็เป็นดินแล้วก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินที่นี่ที่มันตั้งอยู่ได้อยู่ในปัจจุบันอาศัยปัจจัยอาศัยปัจจัยเครื่องเยี่ยวยารักษา ปัจเจกปัจเจศที่ถ้ารวมรวมแล้วคือปัจจศทก็ย่รวมน้มาอยู่ในชนะบาทนั่นรวมทั้งสี่อย่างท่านประวัติใบเดียวนั้นมีทั้งผ้าอยู่ในนั่นท่านปัติตัวอันนี้แปลแปลเป็นผ้าก็ได้แปลเป็นอาหารการบริโภคก็ได้ ไปเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ไปเป็นยาบําบัดโรค ก, ก็ได้เนี่ยนี่ว่าปฏิสีตัว น, นี้มันมีมันมีมีพาธมีอาหารการบริโภคมีที่อยู่อาศัยเรียนตานบ้านส่อางเสนาส น, นั่นลักษยาบําบัดโรคสี่อย่างที่ที่ร่างกายอยู่ได้เลี่ยวยารักษาอยู่นี่ ข้าวมาเมล็ดเดียวนั่นะมันพรอมทั้งสี่ธาตุรวมกนนันอะยเราทานก็จนไปทุกวันที่เรากืนเข้าไปมันก็นเลยไ ป, ป, ย, าาดดปยาดินธาตุดินไปย า, า, าดินธาตุน้ำไปยา้ํนธาตุลมไปยาลมธาตุไฟไปยาไฟใช่ไหสันตติคือความสือตอ่อที่เมื่อสเข้าไปถึงความจริงแล้วมันจะแยกกัน เวลาเราปฏิบัติเข้าไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุโจนมันมีพลังจะมันแก่กล้าเข้าไปเมื่อมันมีพลังเมื่อมันมันแก่ขึ้นไปสติมันแก่ขึ้นไปสมาธมันแก่ขึ้นไปจิตมันจะวางพุทโธเมื่อจิตวางพุทโธนมันจะเดือดแต่ดวงลูกดวงูกนิ่งแว่ ถ้าผูใ้ใดปฏิบัติเขาไปถึงจุดนี้ได้มันจะมีความรู้สึกไม่มีใครบอกมันก็จะรู้เองเห็นเองรู้ว่ากายกับสีนีมันจะแยกกันกายนี่เป็นจักรภาวะอันหนึ่งคือธาตุสีดินน้ำไปลมกีจใจก็คือดวงรู้คือตัวผูร้รู้คือดวงธรรมดวงรู้ตัวผู้รู้อันนี้ไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นนามธ ร, รม สัวน hmm. ที่เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยอันนี้เป็นทับเป็นดินน้ำไฟลมตั้งหาแยกออกไปจากจิตใจถ้ามันน ai. ิ่งได้สงบได้มันจะเกิดปติความเอิอิ่มใจเนี่ยแล้วก็ปสิทธิคือความสงบของใจมันจะนิ่งเบาสบายมีความสุขนี่ความสุขอันนี้เป็นความสุขอันแท้จริงนี่ชุบแท้ๆนี่ม่นี่ยไม่ได้เองสายใคร ไมไ่ไม่ได้เอียงอาศัยปัจจัยไม่ได้อียงอัยร่างกายไม่ได้ใส่ยาอื่นามันสงบมากมันก็เย็นมากมันสงบน้อยก็เย็น น, ยน้อยุกน้อยเมื่อมันเย็นมากฉุกมาบมากจนหาหาหาที่เปรียบไม่ได้ เนี่ยที่พวกเราปรารถน า, าพระ น, นิพพานพระนิพพานเพื่อจะถอนจีตออกจากร่างกายนี่แหละให้มันเบื่อกายก้อนสักคนละกายนี่คือก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนเจ็บก้อนปวดนี่สรูปแล้วเป็นก้ อ, อนเจ็บก้อนปวดที่นี่มันไม่รู้มันไม่เห็นถ้ามันเห็นน่ะมันจะเบือ่อ มันจะเบื่อมันจะหาทางออกมันจะหาทางทิ้งหาทางทําลายสรุปแล้วมันเป็นอ่าเป็นคุกหรือเป็นตารางหรือเป็นเรียนจําครั้งจิตครั้งใจเนี่ยให้บนอยู่อ ย, อยู่อยู่ในร่างกายนั่นพราะเราไม่รู้อต่ความความไม่รู้จริงเนี่ยความไม่รู้จริงความไม่เห็นจริงนี่สร้างชื่อว่าตัววิชา จะทำอะไรเป็นอวิชชาเ mm. ขาจิตเดิมนี่แหละจิตใจเดิเป็นอวิชชาเพราะมันไม่รู้มันไปยึดของใครนออว่าเป็ น, น, นตัวเป็ตตนตนตนของตนเอาตนของตนจริงมันไม่รู้มันไม่เห็นที่ไม่รู้ไม่เห็นที่นี่เราเราไม่ได้ปฏิบัติเราเร า, เราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราเราไม่ได้ตาหาตนของตนที่นี่ ก่อนจะปฏิบัติก่อนจะเนี่ยแต่ปฏิบัติก่อจะตามหารงของต น, นท่านให้มีศีลก่อนการรักษาศีลคือศีลห้าเนี่ยของเราพวกเราคือศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มันทำไม่ได้ทำได้อยู่แต่แต่มันไม่ได้รับผลเพราะ ไอ้สินห้านี่มันเป็นสักวันมรควันมันจะห้ามมักห้ามผลมันจะทำให้มักผลเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นบาปมันเป็นกรรมตัวสินะกรรมห้ากรรมห้าเวรห้าโทษห้าถ้าถ้า ถ้าเรารักษาให้มันปกติมันไม่มีโทษมันกระพองใสทีมันกระเบามันกระพองใสเราเราปฏิบัติไปมันก็ไม่ขัดท้องทีเมื่อเราปฏิบัติไปเมื่อเมื่อได้รับผลคือความสงบของจิตใจมันจะเกิด สติมันจะเกิดปัญญาอืพิจารณาสดแท้หาความจริงเนี่ยเวลามันสงบหลังหลังหลังจากมันถอนจากความสงบแล้วให้ค้นให้คิดให้พิจารณาร่างกายมันมีอะไรว่างอยู่ในร่างกายแล้วมันมาจากที่ไหนปวดจะมามาเป็นรูปมปันล่างขึ้นมาเนี่ได้มาจากใครเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วจะไมาน่ยนะจะท่าย มันมันจะไปที่ไหนของมันร่างกายให้ให้คน้นคว้าวิใจใยเสพปัญญาคน้นคว้าให้รู้จักที่ไปที่มาของร่างกายให้มันรู้ให้มันเห็นถ้าไม่ค้นไม่คิดไม่ไม่พิจารณาไม่ดูมันก็ไม่รู้มันก็ไ ม, มนกไม่เห็นเหมือนกับเรามีมีมีดอยู่เรือง ถ้าเราไม่เอามาใช้มันก็มาาไม่ได้ประโยชน์กับมีดเราต้องใช้มันมีปัญญามีต้องออกเอาต้องเอาออกมาใช้มาค้นมาคิดมาวิจัยมีจารมาผมมาคิดว่าอะไรมันเป็นอะไระ <ST AR> ดูของเก่านี่แหละทิศนาของเก่าเนี่ยให้มารู้เขาไม่เห็นดูแล้วเห็นแล้วดูซ้ำซ้ซากซากก็ น, นั่นะ มันความรู้นี่ี่บรรลุอันอันอันนี่มันเห็นนะนี่มันมีทั้งอย่างมีทั้งอยาบมีทั้งอย่างกลางแลักษณะหยางละเอียดลักะหยางสูงสุดเนี่ยมันม่มีไม่มีขั้นตอนมันอยูที่นี่ เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั่งไปเวลาเวทนาไม่เกิดขึ้นท่านให้ดูท่านให้กหํดดาห น, น, นดดูอย่าพุ่งไปอ่อย่าพุ่งไปเปลี่ยนมโนดูว่าอัน ป, ดปวดปเจ็บเจ็บ ป, ดปวดปวที่ไม่เกิดขึ้นไปหลังเล็กเล็ก ก่อนที่ที่เรานั่งเรียกมันไม่มีอาการมันไม่มันมันไม่มีอาการเจ็บปวดพอนั่งนานไปนานไปสิมันจะเจ็บปวดขึ้นมาภายหลังอันนี้แกอันนี้ก็แปลว่ามันมันจอนมามันมาที่หลังเมื่อมันมาที่หลังมันก็มันเมื่อเกิดขึ้นที่หลังเมื่อมาเกิดขึ้นที่หลังมันก็มาใช่เรามันจอนมา มันเกิดมามันไม่ใช่เล่าถ้าถ้าถ้าใช่เล่าเลยเป็นผู้เก็บผู้ปวดจริงๆหนึ่งก็ให้มัดปวดอยู่ตลอดให้มัดเก็บอยู่ตลอดมันถึงมันถึงเจ็บเป็นเราขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาที่หลังเมื่อเกิดเมื่อเกิดได้เมื่อก็ดับได้เมื่อมาเกิดมาเกิดขึ้นมากๆมันรอนมากๆมันเจ็บมากๆมันปวดมากๆ เอาจนมันมันมันขึ้นเต็มที่ของมันท่านให้เสียสลบถ้าเสียเสียสลบคือความกลัวกลัวตายมาเลยอ๋อตายกว่าตายพอเสียสลับปุ๊บเท่านั้นเมื่อกิจมันว่างทีนี่มันจะไม่มีอะไรจิตมันก็จะว่าทีนี้พอพอไปถึงจิตตรงที่มันว่างวานี่แหละเราจะลุกขึ้นมาทันทีเออนี่ จิตใจของเรานมันบาปจิตจริงตอนคุกเกินจริงมันบาปมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้นันที่มันมีก็เพราะเราหลวงเราลบไปยิบเอาของภานอกเข้ามาถ้าผมจิตใจต่างมันต้องรูปขึ้นมาทันทีและปิดไม่อยู่รูปของใครของเราแน่นอนทีนี้หลังจากนี่ไปทีนไหนทารูปอย่างนี้แล้วความเพียรของเรานี่ยไม่ใช่ขยันจริงไม่ใช่ไม่เกียจขัน มันจะเกี่ยมมวมัวปวดขันสิงเช็กสิงของตัวเองสิงห้าตัวเนี่ยปานาอธินากาเมมุสาสุรานปวดเช็กดูให้บริสุทธิ์ตลอดที่นี้สิงห้าตัวนี่แ ห, หละเมื่อมันเมื่อมันเป็นปกติ เมื่อเมื่อมันเป็นศิลป์แล้วเมื่อมันเจิตสงบแล้วตัวตัวจิตสงบเข้าไปนี่นี่นี่คือตัวศิลแท้นี่คือมันมันปกตินี่นี่คือตัวศิลที่เราลู่อยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่นี่คือนี่คือศิลแท้นี่นี่คือทำแท้เนมืยให้เราให้เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อมันเป็นศิลมันกับการทำทำกับศิลอันเดียวกันทำกับจิตใจของเราอันเดียวกัน อยู่ที่เดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าพวกเราเนี่ยได้เรื่องดูเรื่องดูปูเสือมันมาเนี่ยล่างสายเหมือนกับเรามีรถคันหนึ่งเนี่ละต้องใสไปรอยู่ให้นำ้ำเอาคุณไสให้มันให้สร้างคุณงามความดีให้มันเกิดไปมี ขึ้นมาทางจิตใจขอ ง, งเรานะให้มันให้มันเกิดไม่มีขึ้นมาให้มันมีศีลขึ้นมาให้มันมีสมาธิขึ้นมา ใ, ม, ม, ม, า ม, าใมันมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยศีลสมาธิปัญญา ม, มันก็อยู่ที่เดียวกันนะอันเดียวกันนะนะั่นแหะคือจิตใจนี่ทมันแยกแยกพูดไปตามอาการที่เห็น จัว่าสินอันใดสมาธิอันนั่นสมาธิอันใดปัญญาอันนั่นปัญญาอันใดบีมุตอันนั่นน่ะบีมุตก็คือความหยุดพ้นพ้นไปจากกองทุกในกองทุกอยู่ที่ไหนที่นี่กองทุกกองรูปนั่งอยู่นี่เนี่ยกองรูปนั่งอยู่นี่กองเวทนามัมเก็บปวดรลเล่าอยู่นี่กองสัญญาความจําได้ไม้รูปก็อยู่นี่กองสังขาร ก็ทั้งขาลากายที่นั่งอยู่นี่ฟองสั้งขาทั้งสั้งขาตีใจความคิดคมนึกคมปงคมแต่งที่มันมีอาการหรั้งเรียกว่าังขาความเก็บดรนแวก็กสั้งขาที่มันเกิดขึ้นความดีใจกังขาความเสียใจกว่าังขาเรียกว่าสังขาทั้งหมดปองวิ ญ, ญญาณดิวิ ญ, ญญาณกับไม้ขวาความรู้ทงตา เรียกว่าจักคูวิญญาณจักคูคือตารูทั้งหูเรียกว่าโสตาวิญญาณรูทั้งจมูกเรียกว่าคานาวิญญาณรูทั้งลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรูทั้งกายเรียกว่ากายยวิญญาณรูทั้งใจเรียกว่ามโนวิญญาณนั่นวิญญาณนึ่งวิญญานึ่ิญญานึ่งก็กองหนึ่งนีกองกองห้าฐานห้า ละห้าที่จิตใจมันแบกหามอย่างมันหลงอย่างนี้ว่าเรียก่องพกุกยกขึ้นมามาพิจารณามาค้นมาคิดม่าพิจารณาให้จิตมันรู้ใหกก้จิตมันเห็นเมื่อมันเห็นี่นี่เ ม, ม, มื่อเห็นจริงนี่การปล่อยวางนี่ไม่ต้องบอกมันจะวางเอง มันจะลู่เองเห็นเองถ้ามันลู่มันจะวางเองนะจริงๆแล้วให้ให้มันปวดมากๆเลยล่ะมันถึงจะเห็นธรรมอะธรรมก็คือทุกข์ไงล่ะสรุปเดีวมันจะตรงกันข้ามเมื่อมันทุกข์เต็มที่เมื่อมันวางทุกข์มันก็ถูกเต็มที่นั่นมันอยู่ที่เดียวกันแต่ยิเระมันมันมันไม่ยอมวาง เพราะมันเป็นนิสัยมันถือมานานอุปทานมยึดมันถือมันมันถือมาตั้งแต่สมัยเป็นมดออกเป็นมดออกมาเป็นเลนออกจากเลนออมาเป็นเป็นมดออกจากมดออมาเป็นแมลงตัวเล็กตัวใหญ่มาเป็นสัตว์อยู่ในโลกอยู่ในสุสานจะพูดได้ว่าหมดทุกตัวสัตว์เทไหร่นี่มันสะสมมานานมันฝังอยู่ภายในจิตน่มันเป็นเงาตามตัวอยู่น่เพราะฉะนั้นจึงว่าอาศัยเพียเนี่ยอาศัย ความให้ตั้งศรัทาความเชื่อความเมืองใจให้มันมากๆแล้วก็ทําไปอเอาการให้ทางการเสียสละนี่เนี่ยเป็นเครื่องขัดเครื่องเก่าเอาถิ่นเขาไงขัดเครื่องเกาเอาสมาธิเพขาไปขัดไปเกาเอาปัญญาเข้าไปขัดไปเกาขัดทุกวันถูทุกวัน ปัดทุกวันกวดทุกวันนันนี่ว่าที่ว่าที่ท่านที่ท่านยกมาเรียงเป็นเป็นพระสูตรนี่ว่าวิปัตนาภูมนนินีปัสสกับแบบความสะอาดปัดวดวิปัสสนี่ว่าวิปัตนาภูมิภู ม, มิวิันานี่ว่าจักภูมตาหูมือลิ้นกายใจ น, น, นี่ว่าท่านท่นทนานให้พิจารณาให้ ไอ้จีนมเห็นเป็นธาตุเองดีกว่าจักขทาตุจักขาตุตาตาก็เป็นธาตุตาคนรู้หนึ่งรูปะทาตุลูกที่มันกระทบกับตานี่ยที่มองเห็นในตานี่มันก็เป็นธาตุเหมือนกันนี่จักขูทาตุรูปาตุโซตะาตุหูโสโซตคือหูนี่ก็เป็นธาตุ สัทธาธาตุสัทธคือเสียงก็เป็นธาตุที่กันนี่ว่าอาจจะว่าสัทธาธาตุโซตธาตุสัทธาธาตุโซตวิจินาธาตุนี่วิญญาณคือความรู้มันโยงกันเป็นธาตุทั้งนั้นจังหวะจังหวะบาวิสัตินญาณิบาวิก็แปลว่ายี่ยี่สิบสองธาตุยี่ิบ บาวิสัตยินอินอินอินชีอิบองบาวิสตินิาณิอยกุิยังโสตินสติยังขานิสติยังยหินสิยังกายินสติยังมักิสติยังอิินติยังุติจินสติยังจีตินติยังสุินิยังดุินิยังโทมันินโยมันินอุเบกินิยังนววิปัสนามถ้าเราไม่ จำพอสุดไม่ได้เอาหลักเดิมเนี่ยหลักใหญ่เนี่ยดูกายเลยมันรวมมันรวมอยู่ที่กายรวมอยู่รวมอยู่ที่กายรวมอยู่ที่ใจคือคิดจิตใจของเรามันรวมอยู่ที่นี่ให้มันให้มันมูอยู่ที่นี่มันเห็นอยู่ที่นี่นี่เห็นอยู่ที่ดดเห็นอยู่ที่กายนี่เอากายนี่เป็นหลักเพราะจิตมัดกีกายเพราะจิตมันยึดกายเพราะท่นเ้าแยกแยออก ถ้าทั้งสีนแยกออกให้มันเป็นด nice, nice, nice. ินเป็นนาำเป็นไฟเป็นลมันไม่ันเห็นจริงตามความเป็นจริงว่า field, มันเป็นธา izada, ตุดินมันเป็นดินมันเป็นดินมันเป็นดินได้อย่างไรตามหาต้นตอมันเกิดมาจากที่ไหนได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่สักกันเลได้มาจากดินเหมือนกับพวกเรานี่ยดินมาจากอะไรมาจากข้าวน้าโปรชนะอาหาร อาหารการบริโวกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคี่ยรคืนลงไป น, นี่มันเกิดมาจากดินแล้ว ท, ที่เียกจีนแจงแล้วก็เข้าไปเกิดเข้าไปไ ป, เ ข, ไ ป, ปเข้าไปปสุขเข้าไปปฏิสนธิอยู่ในคันมันดาเก้าเดือนนี่แรกๆก็เป็นอะไระอาเป็นกลละ เป็นอัมพูทะกับเป็นเปษีแล้วก็เป็นน้ามันแล้วก็เป็นก้อนเลือดแล้วก็มาเป็นปัจจารสาขาห้าแห่งนะหัวสองแ ข, ขนสองเอาหัวหนึง่งขาสองแขนสองขาสองแขนสองหัวหนึ่งนี่วะปัจจารห้าอย่างนะก็จจะเจริญเติบโตขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ แรกแรกที่เขาไปในีมีแต่ดวงิดอย่างเดียวนะเนี่ย้ก็ไ ป, กก ไ, ปกไปเกาะกิดเข้าแล้วก็เข้าไปกาะไปยึดเอาตัวสั้งขาเนี่ยตัวทังขาคือคือ 5. ทา่าทนะั้งทีที่น้ำไปรมรวมกันน่ยมายึดเข้าไปทีนี้ังขาจมปุงปุงไปเข้ามันแต่งไปข้ามั น, มนนะเห็นหตาปุงปุงไปแตไปจมกเหมือมนกันอวัยวะทุกส่วน มันจะปรุงไปเองแต่งไปเองเรื่องขอสังขารร่างกายของสัตว์เมือนกันร่างกายของบุคคลมันเหมือนกันมันเป็นไปโดยธรรมชาติหนึ่งสังขารปรุงแต่งไปจึงว่า อ, อยู่ในอยู่ในปฏิจจการนั่นนะอวิชชาปฏิยาสังขาราสังขาราปฏิญาบิญยานั่งอวิชชาคือความไม่รู้ ทำให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารคือสังขารร่ากาย่าสังขาราปาิญาณน่งทให้เกิดบินญาณสังขารเนี่ยบินญาณทำให้เกิดตาหูจมูกนี่กาใจนี่เียว่าทำให้เกิดวินญาณบินญาณนิญาณปัจญานามรูปังเป็นขึ้นมาแล้วเป็นนามเกขึ้นมาแล้วนามนามารูปปาปัจญาราจะเนัง ชาลาจะนังกับไปวังแกแก่ไปโดยลำดับทีชาลาจนงชาลายานาปฏยาัดโซ่เม oh ื่อมาแกเรามีสัมผัสอะไรทีนี้พัดโซ่พัตสัปัจจเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีัตมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวสนาเป็นปัจจัยให้เกิดถุกเกิดทุกข์นะพัตสัปัจเวนาเวสนาอะ เป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาเลยที่นี่เบธราบเป็นปัจจัยให้เปิัญหาคือความหยาดตันห้าปัจจยาเป็นปัจจัยใ้ปย เ, ปป เ, เป็นอุปทานคือความยึดนะอุปปานังคงคุณยึดอุปปานาปัจจัยภาโวเป็นภพแล้ว้าโวมาพูดพาะาโวเป็นปัจจัยให้เป็นชาติเลยที่นีภพแล้วก็เป็นชาต ชาติชาติปัจญาชาราแก่แล้วมรณะตายเลยโทษกับปริเรศความเศร้าโศกโศกาอะไราโทษกับปริเรศสุขโทมนัาจูปยาซาซัมพวันติเอวเมตตาเจวัตะดุขขันตตะสมุญโยโฮติเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุในทุกเกิดนั่นนี่นี่ว่าปัจจัยาการที่นี่ สั้นให้มานพิจารณาให้มันรู้ใหมัเห็นเมื่อมันรู้มันเห็นทีนี่มันเกิกลายเป็นอะวิชายะเตเะอาเสสสว์ลากาสังขารนิโรธเมื่อเมื่อมันมันก็เลยกลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ดมันบางมันสงบเข้าไปนี่ว่านิโรธคือความดับทุกข์นิโรธสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรธ วิญญาณนิโรธานามมรุปนิโลโทนามมรุปนิโรธาชาลายตนาลิโรโทชาลาเยตนาลิธาฟัตสันิโรโทฟัตสันิโรธาเวเนาลิโรโทเวเนาลิโธาตัณหนิโรโทตัณหานิโรธาอุปทานิโรโทอุปทานิโรธาภานิโรโทภาวนิโธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาเจลามรังโซกปานิเรวัตุขดมมณสุปยาสัยิรุตสันติเนี่ยนิรุตสันตินิรุตคือความบุญพ้นนั่นคือความบุดพ้นนั่น นิรุตสันติเอวเมตตาเกวราตตาดูกขันทานิโรธโหตินั่นมันจบถ้ามันรู้ถ้ามันเห็นน่ะมีโลดคือความทุกข์มีโลอันนี้อถ้าพูดภาษาเราก็มโนั่นแหะถ้ามันมีก็เพราะมันมันทุกข์ามันเห็นทุกข์มันรู้ทุกข์นทุกข์ น้มันบางจะทุกข risque, ์มันก็มันก็ย้อนมามาย้อนมาหาตัวน้ตัวนีอคือตัวลูกคือดวงลูกทำตัวลูกนี่ม่ให้เป็นอะไรทั้งทิ rates, climate, ้งที่นี่เมื่อมันลู้แล้วทุกข์มัไม่เอาทุกมันก็ไม่เอาเมือไม่มีอยู่อยู่ภายในจิตใจสว่างก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ภายในจิตใจมันไม่เข้าไปยึดมันปล่อยมันวางทไมมันจะวางกับเพราะมันลูก ที่มันไม่ปล่อยไม่วางก็เพราะมันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมามาปฏิบัติทำตัวรู้นี่แห่มันเด่นขึ้นมาคือตัวสติดวงคือตัวสติคือตัวรู้นี่แห่งมันเด่นขึ้นมามันสูงขึ้นสูงขึ้นงขึ้นเมื่อสติมันเต็มปัญญามันเต็มเนี่ยมันจะหายอยากมันจะไม่หิวจะอยากเป็นอะไรจะได้อะไรจะมีอะไรนี่มันมีส่วนของตนเรามกีตใจเตม จิตใจมันเต็มแล้วจิตใจมันไม่ร้องไม่แย่งเนี่ยจิตใจมันเต็มเหมือนกับพอจ์เต็มวงถ้าสมมุติขึ้นนะถ้าถ้าจะมีรูปว่างแต่มันไม่มีรูปร่างมันจะมีมันจะมีแต่ความรู้สึกนะมีแต่ความรู้ น, ะคน่ความรู้ที่มันเต็มความรู้ที่มันไม่เต็มไจะรู้นะเราจะไปเข้าใจจะจะไปมองมอง้มันไก ไกลตัวของตัวไฟอย่า <enth> ไปมองว่าเพราะนี่ฟานีในช่องฟ้าอากาศไม่ใช่ไม่ไม่มมไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรามีอยู่ทุกไลมีอยู่ทุูทุนนเนี่ยของดีของดีขอ ง, ดของอภิเกคือดวงใจของเราน่นนะ<อ>จิตใจที่สำลัมวลพินออกจากจิตใจนีให้มันบนริสุทธิ์มันก็หมดแล้วจบแล้วงานไม่มีแล้ว ถ้ามันจิตใจบริสุทธิ์ผุดฟองนั่นจิตใจอันเดียวกันนะครับจิตใจข้าพเจ้าและจิตใจข้าพพุทธเจ้าแต่ข้าพพุทธเจ้าท่านสะสมบารมีมานานแก่กล้าเพื่ออย่างว่จะเพื่อจะมาสร้างถอนสัตว์โลกอันนี้สท่านถอนได้ท่านทั้งจิตใจที่มีรูปร่างทั้งไม่มีรูปร่าง มีแต่ดวงจวีตล้วนๆท่านก็สอนได้เพราะท่านมียานความรู้<ม> พ, อพอพระพุธเจ้าท่านพร้อ ม, มยานจักขู่านคือตาโสตายนนี<ม>่<ม>อันจักขู่ทิพโสตทิพเ<ม>นี่ยท่านพร้อมหมดอัญาหกู่หมดของผู้เราไม่ถึงขนาดนั่นก็ได้รู้แค่ร่างกายของตนหนึ่งกับจิตราเตรมที่จะจบ มันมากถึงพระพุทธเจ้าแลวพระเหมือนพระอริยเจ้าก็ okay, ได้เอาแค่ฮะมันพ้นจากกองผู้น่งเทุกคนมีภายในจิตใจเรามันก็ใช้ได้แหละแล้วลก็อย่าไปเข้าใจอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตัวเองล่ะว่ า, า, าโดยส่นมากมันจะมั น, นม่โยนแต่จะมาพูดแต่เรื่องวาสนานี่ละ่นใช่ฐานะของเรารบุญ น, น้อยวาสนาน่อยทาไปก็ไม่เกิดไม่มี เรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ทำทมันจะเกิดขึ้นก็คือทุกเนี่ยเจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดรเาได้อยู่ถูกมันก็ถูกได้อยู่มันก็ถูกได้อยู่นี่รอมันก็รอได้อยู่นี่เย็นมันก็เย็นได้อยู่นี่เนี่ยมันไมันมีมันเกิดยงในปัจจุบันนี้มันเกิดได้อยู่เมื่อว่ากได้แล้วมันก็รู้ได้พอจิตใจมันมันไม่ไม่บิตาอย่างหนึ่งนะมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเว่า วาสนาเนี่ยคือการกระทำมันมีน้อยทำให้มันมากได้แล้วก็อย่าไปสงสัยทำไปใครทำใครทำใครได้ขงใครของเราสำราบศาสนาของใครของเร า, ร า, ร เ, ราเมื่อทำได้ปฏิบัติได้แล้วทีนี้จะเป็นของเป็นสมบัติของเรา แล้วก็เป็นที่เพื่อนของเราเนี่เพื่อนตนของตนนั้นแหละพยายามปฏิบัติธรรมติดต่อกั น, นบางคนว่ามันปฏิบัติไม่ได้นั่งมันก็ไม่สงบพูดเลยหรือจะให้มันสงบก่อนจึงจะทำจึงจะปฏิบัติมไม่ได้ใช่งไงบด้วยเพราะมันผูส้สน มันมันมันไม่สงบลราก็กำหนดูมันไม่สงบมันเป <TI> ็นเพราะอะไรความไม่สงบอันนี้ก็ความวุ่นวายความพุ่งสั้นอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเมื่อมันพุ่งสั้นคือมันอะไรมันเกิดขึ้นมันกระทุกน่ะมันวุ่นวายมันกระทุกนั่นเราก็กาหนดหูว่ามว่ามันทุกนั่นน่ะนะมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแ่ะทีนี่มันเกิดขึ้นนี่สิ่งในที่สิ่ในที่มันเกิดขึ้นมันเกิดได้มันดับได้นั่นมันเกิดเท่าไรมันดับเท่านั้นน่ะ แล้วก็ทำไปเร้ามานเนี่ยพวกกันจะู้เองเองของใครของเราต้องไส่ต้องคนต้องคิดต้องพิจารณาต้องปฏิบัติไปเนี่ยมันเมื่อเมื่อมันสงบปล่อยให้มันสงบก่อนเมื่อมันมสงบมันเป็นไก็ดูมันแต่ว่าเราเราทำให้มันมากตัวอย่างคนที่มันคิดมากวคิดมากปุงมากแตงมากเมื่อเมื่อมันทามันไม่หยุดถ้าเรานั่งก็นั่งไม่หยุดเหมือนกันหรือเดิน เดินธรรมดาแก็เดินไม่หยุดมันจะไปถึงไหนของมันมันต้มันต้องหยุดได้เมือ่อเมื่อมันเหนื่อยจ่ิงเนี่ยเพว่าพอปฏิบัติได้ไม่ได้เรื่องหยุดแล้วทิ้งแลทิ้งานน่ะนี่่มันก็มาในเรื่องอะไรขออีเดียจับหลักว่ให้ดีรักษาสินให้บริสุทธิ์ทำไปเลยทำไปเลยคน ท, ที่ได้รับมันอันนี้มันจะเป็นเองของมัน เราเราแต่งเอาไม่ได้แต่งเอาได้แต่แก้ข้อวัดปฏิบัติแต่งเอาได้แต่แก้การกระทำนั่งนั่งนั่งทําอะไรนานๆดิวท่านั่งนานไปได้ยืนนานๆท่ายืนนานไม่ได้เดินนานๆเนี่ยเดินนานเพื่อเพื่อทํามันที่เกิดขึ้นมาทําเกิดขึ้นคืออะไรทําเกิดขึ้นคือทุกข์นั่นล่ะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปหลกมันขี้นีอย่ erm าไปหลบ ที่มันกลัวตายเนี่ยนะครับเรื่อกลัวตายก็ให้เราพิจารณาอีกคบคิดอีกว่าอะไรมันตายไล่หาตัวตายไม่มีไหมอะไรมันตายก็ไล่หาตัวไล่ไล่หาตัวตายคนคิดหาตัวตายไม่มีอะไรตายไห ม, มให้ท่านมันเห็นเนี่ยสรุปแล้วจริงจงแล้วจิต ใ, ใจเนี่ยมันไม่เคยตายที่มันตายมันร่างกายแตกต่างหานี่โอ พร่างกายรนี้รูปร่างกายมันมาสรมันเป็นของแตกมันเกิดแล้วมันแตกมันดับทังมันส่วนจิตใจมันไม่แตกไม่เป็ีนดับไม่เปแต่มันกลัวที่นี่มันกลัวส่วนที่กลัวน่มันหลอกเรานี่มันหลอกเรามันโกหกเราเน่ยอะไรมันโกหกตัวขีเหร่น่ยไม่โกหกกลัวตายจริงเราไม่ได้ตายจะเอาอะไรมาตายเพราะจิตใจมันไม่มีรูปร่างเมื่อเข้าไปถึงจิตจริงๆเนี่ย มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนะมันเบามันเบามันสบายแล้ไม่ติติดด้วยล่ะที่มันมีควาเก็บขุดล้อมไม่เข้าไปยึดกายต่างหาเลยพวกร่างกายนี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดกเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ถ้าถ้าจิเข้าไปยึดไปถือถ้าจิถอนออกมาอะไรไม่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอ่ะนั่นนี่คือมันพ้นทุกข์อยู่ตรงไหน มันพ้นอยู่ตรงที่มันมมีทุกข์เลยถ้ามันเคยสงบสันจะขั้งหนึ่งมันจะมันมันมันจะมีมันจะมีความขยันหมันเพียรมันจะมันจะมขี้เกียจที่คาดความหนักหนักเหนื่อยเมื่อยล้ามุกก็จะไม่มีถึงมีเมื่อกลูกเพราะว่าลูกเขาทางเลี่ย ตัวอย่างหลวงหลวงหลวงปู่แพรท่านนั่งห้าวันห้าคืนสี่วันสี่คืนห้าวันห้าคืนบางคืนมันก็เก็บปวดตลอดคืนถ้าก็สู้จนสู้จนมันผ่านไปบางคืนมันก็สบายตลอดคืนพอาเก็บปวดเราเราเขาไม่มีเบาตลอดคืน วันที่มันจะมันมันมันจะเล่นงานมันมันกลับมาต่อสู้มันก็ปวดตลอดคืนเก็บตะวบคนนะสุดท้ายเมื่อมันมันเมื่อไปถึงขั้นสุดท้ายมันแบบมันก็หมดมันก็ไม่มีอะไรสิตัวข้างอยู่ภายในจิตใจของท่านถึงมันมีมันก็ไม่มีเมื่อมันอะกดขึ้นมาพุกปวดขึ้นมาจิตเม่ไม่อเกประยิบมันก็เหมือนมันไม่มีสิเนี่ยแรกแรกแต้องฝ่าฝืนไปก่อน กดขีดบังคับไปก่อนที่เด็ดมันไม่อยากทำเราทำมันขี้เกียจเราขยัน